ความหมายที่ไม่ต้องอธิบายก่อนจะอธิบายต่อไปพึงทําความเข้าใจก่อนว่าพระพุทธศาสนาพูดถึงเรื่องตัวตนหรืออัตตาเพียงในระดับสมมุติเท่านั้นคือเป็นสมมุติสัจจะไม่ถือว่าเป็นของมีจริงแท้ดังจะเห็นได้ชัดเจนตามหลักที่มีพุทธพจน์แสดงไว้ว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นศาสดาที่ไม่ยกเรื่องอัตตาขึ้นตั้งเป็นหลักคือไม่ถือว่ามีอัตตาจริงเลยดังนี้ดูก่อนเนสนยะศาสดานี้ใดทั้งในปัจจุบันก็ไม่บัญญัติอัตตาโดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้และในเบื้องหน้าก็ไม่บัญญัติอัตตาโดยความเป็นของจริงโดยความเป็นของแท้นี้เรียกว่า ศาสนาผู้สัมมาสัมพุทธะโดยในยานี้พระพุทธศาสนาจึงไม่ได้ปรารถนาที่จะพิจรารณาและไม่ได้ยกเป็นข้อที่จะพิจารณาว่าอัตตามีหรือไม่หรืออะไรๆเป็นอัตตาหรือไม่เรียกว่าไม่ต้องพูดถึงเรื่องอัตตาในแง่หรือในระดับปรมาจารย์กันเลย พร้อมนั้นก็มีพุทธพจน์สำทับอีกว่าบุคคลผู้มีความเห็นถูกต้องสมบูรณ์หรือทิฏฐิสัมบันคือพระโสดาบันเป็นผู้ไม่อาจเป็นไปได้ที่จะยึดถือธรรมะใดๆว่าเป็นอัตตาเมื่อบรรลุธธรมสูงสุดคือเป็นพระอระหันต์แล้วก็ไม่มีเรื่องที่จะมานึกถึงอัตตาอีกเลย อย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงพระอรหันต์ว่าเป็นอตัญชะโหหรืออตัญชะหะแปลว่าผู้ละอัตตาหรือทิ้งอัตตาแล้วคือละการถืออัตตาหรือเลิกเห็นว่าเป็นหรือมีตัวตนแล้วบางแห่งก็ตรัสแบบอธิบายว่าพระอรหันต์นั้นอตตังปะหายะอนุปาธิญาโน แปลว่าละอัตตาแล้วไม่ยึดติดถือมั่นอะไรอะไรเพื่อให้เป็นข้อสรุปที่อ้างอิงกันได้สะดวกในพระไตรปิฎกก็ได้แสดงเป็นคำวินิจฉัยไว้ว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยงสังขต ธ, ธรรมทั้งปวงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตานิพพานและบัญญัตเป็นอนัตตาวินิจฉัยมีอยู่ดังนี้ กมิินัยปเที่อย่างไรก็ตามแม้ว่าอัตตาจะไม่มีจริงแต่การยึดติดถืออัตตก็มีอยู่และมันก็เป็นสิ่งที่คนทั่วไปยึดถือติดมั่นกันอย่างยิ่งพระพุทธศาสนาจึงมุ่งมาปฏิเสธอัตตาที่เขายึดกันอยู่คือมุ่งให้คนละเลิกการยึดถือติดมั่นที่เขาจมวนกันอยู่นั้น พูดง่ายๆว่าในพระพุทธศาสนาอัตตาไม่ได้เป็นสาระหรือเป็นเรื่องที่ใส่ใจหรือนึกถึงหรือคำานึงว่ามีอยู่จริงเลยแต่พระพุทธศาสนามองไปที่การยึดติดถือมั่นในอัตตาหรืออัตตาที่มีอยู่ในความยึดติดถือมั่นของคนทั้งหลายนั้นอันจะต้องสลัดทอนทิ้งไปเสีย พระพุทธศาสนาจึงมีแต่สอนให้คนละเลิกการยึดติดถือมั่นในอัตตนั้นและเมื่อถอนละความยึดติดนั้นได้แล้วก็จบเรื่องหมดภาระไม่มีอะไรที่จะต้องพูดถึงอัตตาอีกรวมความว่าเมื่อรู้สังขารหรือขันห่าว่าเป็นอนัตตาแล้วก็จบเรื่องอัตตาอนัตตาผู้บรรลุธรรมถึงอสังขตาธรรมแล้ว ก็ไม่คิดถึงและไม่พูดถึงอะไรอีกว่าเป็นอัตตาและอาสังคตาธรรมคือนิพพานก็ไม่มีใครต้องมาอธิบายว่าเป็นอนัตตาอย่างไรอีกการที่ไม่ต้องอธิบายาเรื่องนิพพานเป็นอนัตตาไม่เป็นอนัตตาสรุปได้ว่ามีเหตุผลดังนี้ข้อที่หนึ่ง สิ่งที่คนทั้งหลายยึดถือกันอยู่และสามารถยึดถือได้ว่าเป็นอัตตาก็คือแค่สังขารหรือขันห้าข้อที่สองอุทุชนหรือคนทั่วไปรู้จักเข้าใจคิดนึกถึงอะไรอะไรได้ในขอบเขตของขันห้าแม้เมื่อพูดถึงนิพพานนิพพานที่เขาพูดถึงนึกถึงก็ไม่ใช่นิพพานจริง แต่เป็นเรื่องของขันห้านั่นเองส่วนอริยชนก็รู้เข้าใจถึงนิพพานเองแล้วและหมดความถือความเห็นว่าเป็นอัตตาไปแล้วจึงไม่พูดและไม่ต้องพูดถึงเรื่องนี้อีกถ้าพูดก็มีแต่บอกว่าพระอรหันต์เป็นผู้ละหมดอัตตาแล้วคืออัตันชะหะไม่ถืออะไรเป็นอัตตาเลย ข้อที่สงานที่ผู้สอนจะต้องทำในเรื่องอั ต, ตานั้นก็คือละแค่ให้คนรู้แล้วละความเห็นผิดที่ทำให้เขายึดติดเอาสังขารหรือขันห้าเป็นอัตตาข้อที่สเมื่อรู้แล้วละความเห็นผิดเลิกยึดติดเอาขันห้าเป็นอัตตาแล้วก็ไม่ไขว่คว้าหายึดอะไรเป็นอัตตาอีก เพราะได้ประจักษ์แจ้งอสังคตาธรรมคือนิพพานที่พ้นจากขันห้าและพ้นจากการยึดถืออัตตาพร้อมไปด้วยกันผู้มีปัญญารู้แจ้งนิพพานมองเห็นอสังคตาธรรมคือนิพพานนั้นตามสภาวะของมันเองอันไม่มีตัวตนอะไรที่ไหนมาสวนมาซ้อนมาครอบมาครองเรียกว่าเห็นความเป็นอนัตตาของอสังคตาธรรมเองแล้ว ก็ไม่ต้องมาพูดมาอธิบายอะไรกันอีกพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเมื่อพ้นความเป็นปุถุชนไปแล้วเป็นอริยะบุคคลตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปได้เห็นประจักษ์ความจริงแล้วทั้งความยึดติดและความสงสยัยไขว้คว้าหาอัตตาก็หมดสิ้นไปแล้วการที่จะต้องพูดถึงความเป็นอนัตตาของอสังคตาธรรมก็ยุติไปเองหรือพูดสั้นๆว่า ไม่มีเรื่องอัตตาอะไรที่จะขึ้นไปสู่การยึดถือการสงสัยหรือการถกเถียงอย่างใดๆของอริยชนเมื่อเป็นเช่นนี้ในคำอธิบายสามันเกี่ยวกับอนัตตาท่านจึงมุ่งไปที่สังคตาธรรมคือเบญจขันธ์ซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาเพราะเกี่ยวข้องกับคนทั่วไปหมายความว่า มนุษย์ปุถุชนก็คิดนึกพูดกันอยู่แค่นั้น